สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับพ ร, รุนมันพบการทัมฟังเป็นเวลาเปิดสถานีทุกๆวันโดยมีข้าพเจ้าพร ะ, ระมหาภบายบุ์อาภีปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีทุกครั้งที่ทัมฟังได้ยินเสียงข้าพเจ้าในเวลาเช้าๆทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ในแต่ละวันนั้นก็จะนําเนื้อหาเรื่องราวที่มาเล่าสู่กันฟังกับท่านผู้ฟังในเรื่องราวที่แตกต่างกันไปโดยในวันพูดของทุกๆสัปดาห์โดยส่วนใหญ่เราก็จะนําคําถามที่ท่านผู้ฟังส่งเป็นจดหมายหรือว่าปรายศนียบัตรหรือว่าแม้แต่ที่เขียนมาทางเว็บไซต์มาพูดคุยกันในรายการโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะส่งข้อความไปที่เว็บไซต์ก็ได้เพียวธรรมะคอ u r e d h a m m a c o m หรือว่าถ้าสะดวกทางการเขียนจดหมายทางการเขียนก็ส่งมาที่ เ, เลขที่ 1, 8, นหนึ่งหมู่แปดตำบลดอนหายโศกอํนเนาหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็สี่นส่วนท่านผู้ฟังที่ต้องการจะรับซแดีการบันทึกเสียงของรายการธรรมารับรุณในช่วง12เดือนที่ผ่านมาท่านผู้ฟังก็ส่ง ไปที่สถานีพิธีกรใช้เสียงแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครโดยท่านผู้ฟังจะต้องมีทั้งหมด2ซองด้วยกันซองกันกระแทกเป็นซองที่1นซองที่2เป็นซองธรรมดาซองกันกระแทกที่เป็นซองที่1นี้ให้ติดสแตมสิบหาบาทเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองให้เรียบร้อยต้องการจะรับที่ไหนก็เขียนที่อยู่ให้เรียบร้อยติดสแตมสิบหาบาทแล้วก็เอาซองแรกนี้ที่เป็นซองกันกระแทกใส่ลงไปในซองที่สอง ส่งลงไปในซองที่สองที่อยู่ด้านนอกเป็นซองธรรมดาก็เขียนส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนมิตรภาพดีรังสิตดินแดงกรุงเทพหน0่งศแล้วก็ช่วยวงเล็บไว้นิดหนึ่งว่าสําหรับรายการธรมรมาราบรุญหรือว่าถ้าลืมเขียนว่ารายการธรมรมาราบรุนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าช่วงนี้เราก็มีแจกอยู่อย่างเดียวคือสําหรับทางรายการธรมรมาราบรุญเท่านั้น ล้วก็ติดสเตมสิบาบาทใช้ 2AC การกระแทกนี้ก็จะมีรายการธรรมารับบรุนเท่านั้นวันนี้เรามีข้อความที่เขียนมาทางเว็บไซต์ท่านผู้ฟังเป็นคาถามของท่านผู้ฟังที่ใช้ชื่อว่าคุณพุตานคุณพุตานถามว่าเวลาที่เราพูดความไม่ดีของคนอื่นให้เพื่อนฟังแต่เขาไม่ดีจริงๆนะก็ไม่ดีจริงๆและถือว่าพูดโกหกหรือไม่ผิดศีลใน ข้ทอที่ว่ามุสาว่าหรือไม่แต่เราพูดถึงศีลในข้อที่4ี่ศีล5ในข้อที่4ก็คือเว้นขาดจากการแกล้งกล่าวเท็จเป็นเจตนาในการที่จะไม่พูดเท็จพูดแต่ความจริงรักษาความสัดมีความมั่นคงในคําพูดมีคําพูดที่ควรเชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าววาจาที่ปิดต่อโลกมันก็เป็นความจริงนะบางคนที่มันชั่วจริงๆเราเอาความชั่วของเขามาบอกต่อให้คุณเดินฟังการบอกต่อของเรานี้ แต่ถือว่าผิดศีลในการแกล้งกล่าวเท็จหรือไม่ซึ่งหลายๆคนคิดว่ามันไม่น่าจะผิดนะฉันมีเจตนาในการเตือนเพื่อนถึงความชั่วของคนอื่นเอามาดูจิตของตัวเราเองก่อนบูฟังเดีเวลาที่เราพูดความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยเอาโอเคว่าเอาจิตของเราก่อนนะเอาจิตของเราก่อนเวลาที่เราพูดความไม่ดีของคนอื่นแน่นอนเราก็ต้องคิดถึงความไม่ดีของเขาใช่ไหมเช่นเขาจะประพฤติผิดในกามอย่างนี้ หรือว่าเขาทําชั่วทําบาปอย่างใดอย่างหนึง่งโงชาติบ้านเมืองแต่เวลาเราจิตเราไปคิดถึงตรงนั้นเนี่ยเรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยนะจิตของเราเนี่ยเป็นลบก่อนแล้ที่หนึ่งเพราะอะไรเพราะเราคิดถึงเรื่องที่เป็นอกุศลแต่พอเราคิดถึงเรื่องที่เป็นอกุศลจิตเราเข้าไปคล้องแวะในเรื่องนั้นแต่คุณไม่มีสตินิเปื่อนก่อนระดับแรกเพราะว่าจิตที่ถ้าไปคล้องแวะในสิ่งที่เป็นอกุศลออาถ้าเรามีสติปุ๊บเราจะสามารถปิดกั้นอกุศลได้ แต่ถ้าบอกว่าเราเปลอสติแล้วเราไปคิดถึงเรื่องไม่ดีของคนอื่นปุ๊บจิตเราจะเข้าไปอยู่ในดินแดนที่เป็นอกุศลทันทีจิตเราเศร้าหมองลง ล, งละ่ะนิดหนึ่งแต่พอคิดไปเรื่อยๆแมมมันจะต้องพูดนะพูดบอกเขาแต่ไม่น่าจะผิดศีลหรอกเพราะว่าบอกความจริงนี่บอกความจริงพูดวาจามีหลักฐานมีที่ตั้งมีที่อ้างอิงพูดเล่าให้คุณหนึ่งคนโน้นคนนี้ฟังพูดสิ่งที่มันไม่ดีท่ า, างหาก พูดสิ่งที่ไม่ดีคําพูดที่ไม่ดีเป็นวาจาที่ไม่ดีแล้วออกมาจากปากของเราเนี่ยปากของเรามันก็พ่นสิ่งที่ไม่ดีไม่เดียวมาเใจก็ไม่ดีด้วยวาจาก็ไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมันจะไม่ผิดศีลก็ตามเถอแต่ว่ามันก็ไม่ดีที่ใจของเราที่วาจาของเราเพราะว่าถ้าเราเผลอสตินิดเดียว้ความเจ้าหมองนี่มันกัดกินใจของเราเต็มทีเป็นสนิมที่จะเกิดขึ้นเันมทีเอาง่ายๆเราไม่ต้องนึกถึงนักกันเมืองอะไรตั้งสิตอนนี้โยกไ้ก่อน เอาแค่ okay, ว่าเรานึกถึงสมาชิกในครอบครัวของเราแน่นอนนะสมาชิกในครอบครัวของเราบางคนก็ทําให้เราไม่พอใจแต่บางที่เราไปนึกถึงสมาชิกในครอบครัวจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องผู้ชายผู้หญิงหรือคุณป้าข้างบ้านซักคนใดคนหนึ่งที่เขาเคยทําให้เราไม่พอใจมาก่อนเอาแค่ไปคิดถึงตรงนั้นเนี่ยบางที่เราเศร้าหมองได้เปรียบเทียบกับอะไรเอาเราลองเปรียบเทียบไปคิดกับเรื่องดีๆ เ, เรื่องดีๆที่เป็นคุณงามความดีเป็นบุญเป็นกุศลเช่นเรื่องเราการทำความเพียรของพระพุทธเจ้าประวัติของครูบาอาจารย์หรือว่าแม้แต่เรื่องดีๆที่เราเคยไปทํามาพูดมาคิดมานะีเราคิดถึงเรื่องดีๆตรงนั้นเอามาเปรียบเทียบกับสภาวะจิตที่เราคิดถึงเรื่องไม่ดีของคนอื่นนะีเราคิดถึงเรื่องไม่ดีของคนอื่นกับเราคิดถึงเรื่องดีของคนอื่นสภาวะจิตเนี่ยจะไม่เหมือนกันเอาตอให้คุณมีสติ มีสติเกิดขึ้นตั้งอยู่อย่างดีพระบรุทชาเปรียบอย่างไรท่านฟังเปรียบเหมือนกับเวลาที่เขาเอาวัวเอาควายเนี่ยไปเลี้ยงตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งถ้าบอกว่าไร่นาท้องทุ่งนั้นยังมีต้นข้าวกล้าอยู่มีต้นข้าวกล้าเขายังไม่ได้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวเขาจะต้องคอยระวังวังวควายที่เขาเอาไปเลี้ยงตามทุ่งนาเนี่ยไม่ให้มันไปกินข้าวกล้าของชาวบ้านไม่อยงนั้นก็จะโดนปรับละ่ะโดนปรับสินไหมโดนดา่าโดนว่าเพราะว่า บัวควายของเราไปแอบกินต้นข้าวของเขาในทางตรงกันข้ามถ้าเผื่อว่าเอาบือควายไปเลี้ยงตอนจังหวะที่เก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วจะมีแต่ทุ่งว่างๆกว้างๆโล่ง ๆ, ลงๆไปเขาจะไม่ต้องคอยมาระวังเรื่องตรงนี้2ตัวอย่างนี้เป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นว่าถ้าเ่อเรามีความคิดในทางที่ไม่ดีนัแน่นอนเราต้องคอยระวังอย่างยิ่งไม่ให้สิ่งนั้นเนี่ยมากลื่อกลวดตั้งอยู่ในจิตของเราได้เปรียบเหมือนกับ เวลาที่เอาบัวควายไปเลี้ยงที่ทุ่งนาตอนที่ยังมีข้าวกล้าอยู่ต้องระวังอย่างมากระวังอย่างมากมันอันตรายเราก็อาจจะทำจิตได้แต่อันตรายต้องระวังแล้วอย่างหนึ่งทูฟังน่ะมันก็ไปเสี่ยงในการพูดยุยงให้แตกกันเพราะว่าการพูดยุยงให้แตกกันเนี่ยคือการที่เอาความข้างนี้ไปบอกความข้างโน้นเพื่อให้ข้างนี้เขาแตกจากฝ่ายโน้นหรือเอาความข้างโน้นมาบอกข้างนี้เพื่อให้ข้างโน้นแตกจากข้างนี้ เราเรื่องไม่ดีของใครสัคนใดคนหนึ่งเมื่อบอกกับอีกคนหนึ่งเขาก็จะต้องคิดไม่ดีกับอีกคนนั้นด้วยแต่ถ้าคนที่เรามาบอกคนที่สองนี้เขาไม่รู้จักระวังรักษาจิตมันก็เริ่มจะทําให้มีความกิแนแหนงแคลงใจกันมีความแตกกันอันนี้อาจจะไม่ผิดในเรื่องของมุสาวาดแต่มันจะไปเข้าข่ายผิดในเรื่องของสัมพันธปราหวาดนั่นะคือการพูดยุยงให้แตกกันการพูดส่อเสียดการพูดสับสอน แล้วยังมีอีกในเรื่องของวาจาของอสัตบุรุษคือคนไม่ดีคนไม่ดีตามฝั่งบริข่าอธิบายไว้เดี๋ยวจะมีเคเรื่องหมายเครื่องอ้างอิงของเขาอยู่เดีสอย่างหนึ่งในสอย่างนั้นจะเป็นเรื่องวาจาเรื่องวาจาเนี่ยคนที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีเรื่องอะไรที่ไม่ดีของคนอื่นเอามาพูดเอามาแชร์เอามาบอกไม่ได้ถามหรอกแต่เอามาพูดเอามาป่นให้ฟังคนที่ไม่ดีเนี่ยเขามักจะพูดอย่างนี้คําพูดส่วนใหญ่ที่หลุดออกมาจากปากเขา ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีของคนอื่นคนอื่นที่ถึงแม้ไม่ได้ถามก็จะเอามาพูดถามนิดนิดหน่อยหโอ้โหเล่าละเอียดยิบเนะีเรื่องความชั่วความไม่ดีของคนอื่นนี่อืมเต็มทีนะ่แต่พอเรื่องความชั่วความไม่ดีของตัวเองเนะี่ยไม่พูดหรอกไม่บอกถามก็บอกนิดเดียวเก็บงามเอาไว้บิดบิดเ บ, บ, บี้ยวเบี้ยวตอบไม่ตรงคําถามรวยลายคดเคี้ยวเป็นปลาไหลไปนี่คือคนที่ไม่ดีเขามักจะพูดในลักษณะนี้เราก็จะไปเข้าขายตรงนั้นแต่ถ้าคนดีเขาพูดยังไงคนดี เรื่องอะไรที่ไม่ดีของคนอื่นเนี่ยเขาไม่ออกมาพูดเพราะอะไรเพราะมันไม่ดีอย่างที่ว่าแต่มันจะต้องคอยระวังกายระวังวาจายอย่างมากชั่วไม่ต้องพูดถึงเลยถึงแม้ถามก็ไม่พูดแต่ถ้าเผอกว่าถามเจาะจงแบบถามชนิดที่เลี่ยงไม่ได้เนี่ยเอาก็พูดนิดเดียวเขาพูดนิดเดียวความไม่ดีของคนอื่นเนี่แหละพูดนิดเดียวแต่ถ้าจะพูดความไม่ดีนะท่านผู้ฟังให้พูดความไม่ดีของตัวเองดีกว่าคุณพู้ตานแต่ถ้าเราจะไปเล่าความไม่ดีของคนอื่นให้เพื่อนเราฟัง คุณไปเล่าความไม่ดีของตัวเองให้เพื่อนคุณฟังดีกว่าเพราะอะไรมันจะได้อายมันจะได้อายถึงความที่ว่าเฮ้ยฉันเอาความชั่วความบาปความผิดของตัวเองเนี่ยมาเปิดเผยเพราอสิ่งที่เป็นมิจฉาไม่ว่าจะเป็นมิจฉาวาจามิจฉาทิฏฐิอะไรก็ตามเถอะได้รับการเปิดเผยออกมามันจะตั้งอยู่ไม่ได้ทั้งวันแล้วเรามีความผิดใดๆเราเปิดเผยออกมาเหมือนอย่างพระนี่วิธีการปรงอบัติการปรงอบัติก็คือการเปิดเผยความผิดนั่นเอง แทนที่เราจะไปพูดความผิดความไม่ดีของคนอื่นใช่ไหมไปเตือนเพื่อนนะว่าไอคนนั้นมันไม่ดีแต่ถ้าเธอจะทํางานกับเขาเธอต้องระวังนะเราก็สาธยายความไม่ดีของเขาชี่นิดที่เรียกว่ากินข้าวกลางวันร่วมกันก็ยังไม่หมดต้องมาต่อกันตอนกินข้าวเย็นถึงจะจบได้อย่างงี้มันไม่ดีแต่สู้เราเล่าความไม่ดีของตัวเองเอให้มันสาธยายให้มันเยอะๆอย่างที่เล่าความไม่ดีของคนอื่นอันนี้มันจะดีมากเพราะว่าเวลาที่เราพูดความไม่ดีของตัวเองออกมาสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ มันจะตั้งอยู่ไม่ได้พระพุทธเจ้าเคยพูดถึงว่าสิ่งที่เมื่อปกปิดเอาไวา้นะยิ่งจะเจริญขึ้นนั่นะคือเรื่องของมิจฉาทิฏฐิแต่พอเราเก็บเําเอาไวา้ไนะม่บอกใครเก็บเอาไว้มิจฉาทิฏฐิมันก็ไปต่อมิจฉาวาจามิจฉาสังกัปปะมิจฉากรรมตะไปเรื่อยถ้าเราเก็บเําตรงนี้เอาไวา้มันจะยิ่งเจริญยังรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ฉันชูสาวยิ่งเก็บเําไว้ยิ่งเจริญนั่นะคือเรื่องของความสัมพันธ์ของคนคู่ไม่ว่าจะเป็น เรื่องใดๆก็แล้วแต่เอาแค่ว่าแอบไปกินข้าวของวันด้วยกันยังไม่ทันจะต้องจับมือหรืออะไรหรือโทรคุยกับหนงกับหนินงแต่ถ้านเก็บงำเอาไวา้มันจะเจริญยังรวมถึงเรื่องของมนของพวกปรามแต่คือการบูชาอะไรที่เป็นพิธีกรรมชนิด ท, ที่เรียกว่าไม่รู้เหตุไม่รู้ผลนะเก็บงามไว้ทําลับๆัล่อๆหรือว่าเก็บเป็นความลับทําไมต้องทําอย่างนี้ก็ไม่รู้เหตุผลว่าอะไรแต่ลักษณะ น, นี้มันยิ่งจะมีความเจริญถ้าเผื่อว่าเราเก็บงามาไว้ ปกปิดเอาไว้แต่ถ้าเปิดเผยออกมาเน่มันก็จะเสื่อมไปความไม่ดีตรงนั้นก็จะเสื่อมไปเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะพูดความไม่ดีของคนอื่นให้เพื่อนเราฟังเราพูดความไม่ดีของตัวเองเนี่ยให้คนอื่นฟังอันนี้จะเป็นเครื่องหมายของคนดีเป็นเครื่องหมายของสัตบุรุษคือถ้าเราคิดว่าเราจะหวังแค่รักษาศีลเนี่ยแต่บูฟังมันก็ได้มันก็ดีแต่พระคับพระเจ้าคิดว่าเราควรจะทําให้มันยิ่งขึ้นไปกว่านี้ศีลเนี่ยแหละเป็นบาดฐานในการที่จะทํา จิตของเราให้สูงขึ้นได้ในเมื่อถ้าเราคิดว่าเรารักษาศีลแล้วแมมฉันไม่ได้ตั้งใจในการที่จะพูดโกหกนะฉันมีเจตนานในการที่จะเว้นขาดจากการพูดโกหกฉันคิดว่าฉันจะสามารถรักษาศีลท่าได้แหมถ้ามีกรณีนี้ว่ามันจะต้องเตือนเพื่อนว่าพูดถึงความไม่ดีของเขานะ่เราเตือนให้เขามีสติได้ชักชวนให้เขามีสติคอยระวังการทํางานนะให้เป็นผู้ที่มีสติไม่ว่าจะอยู่กับคนที่ดีหรือคนที่ไม่ดีก็ตามเราก็จะต้องมีสติ เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราจะไปพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นให้เพื่อนเราฟังเพื่อคิดว่าจะเตือนเขาในการที่จะรักษาเนี่ยก็แก้บอกเขาให้เขามีสติเดี๋ยแล้วก็ทนทีจะพูดเรื่องไม่ดีของเขาก็พูดเรื่องไม่ดีของตัวเองซะในความไม่ดีนั้นมันจะได้ดับไปได้ตรงนี้เป็นการฝึกสติตัวเองนั่นเปวังเวลาที่สติของเราตั้งมั่นขึ้นตั้งมั่นขึ้นได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วสติใจก็จะสูงขึ้นเป็นการกระทําเรื่องของจิตอันยิ่งเรื่องของสมาธิเรื่องของความดําริชอบ มันก็จะค่อยเป็นไปค่อยเกิดกันได้ท่านผู้ฟังลองคิดดูถ้าสมมุติว่าคนทําความดีแล้วมีคนพูดเรื่องดีๆของคนที่ทําดีมากๆคนเขาก็จะยิ่งมีจิตใจโน้มน้อมเยิงเทไปเรื่องของการทําความดีเอาคนทําความดีได้รับการกล่าวถึงได้รับการยกย่องแต่ในทางตรงกข้ามนะตางตรงข้ามถ้าบอกว่าทําไม่ดีถูกทําไม่ดีแล้วก็มีคนเอาไปพูดเอาไปพูดตรงนั้นนี่คนนี้ทําไม่ดีงั้นทำไม่ดีอย่างนี้น อย่างที่ข่าวเขาลงหนังสือพิมพ์กันอย่างเงี้ยเอาความชั่วของคนอื่นมาแชร์มาสาธยายเนี่ยมันก็มีเนื้อที่ในสือ่อแต่มันก็เลยมีการพูดกันออกไปกว้างขๆเออคนนี้ก็ทําไม่ดีคนนี้ก็ทําไม่ดีนะจิตของคนที่อยู่ในสังคมก็จะน้อมไปในทางไม่ดีคนที่ทําไม่ดีได้รับการกล่าวถึงเออจิตมันก็จะน้อมไปในทางที่จะทําไม่ดีบ้างจิตมันก็จะน้อมไปในทางนั้นต่างนั้นเพราะฉะนั้นเรามาพูดเรื่องดีๆของคนอื่นดีกว่าอันนี้จะเป็นลักษณะของคนดีด้วยแต่คนดีนอกจาก ไม่พูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นพูดเรื่องไม่ดีของตัวเองเรื่องดีๆของคนอื่นก็เอามาพูดแต่เรื่องที่ตัวเองดีๆเนี่ยไม่ต้องพูดให้มันมากหรอกพูดน้อยๆหน่อยก็ได้แล้วก็พูดเรื่องที่มันดีๆของคนอื่นเนี่ยให้มันมากๆหน่อยนี่จะเป็นลักษณะของคนดีเราดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาจะพูดเรื่องไม่ดีของเทวทัตเนี่ยเทวทัศนนี่ไม่ดีจริงๆนะแตพูดเรื่องไม่ดีของเทวทัตเนี่ยก็พูดนิดๆหน่อยๆ เรื่องความชั่วความไม่ดีของท่านพระเถรวัตรที่ทํากรรมหนักเอาไว้อยู่หลายอย่างถ้าจะสาธยายความไม่ดีกันไปเนี่ยโอ้มันได้มากกว่านั้นแต่พระพุทธเจ้าก็พูดไว้แต่ยนะพูดไว้นิดๆหน่อยๆตรงนั้นตรงนี้อธิบายไว้อาจจะสักสองสย่อหน้าตรงนั้นตรงนี้แต่เวลาที่พูดถึงหลักธรรมว่าถ้าคนที่ทําความชั่วแล้วจะได้รับผลอะไรเนี่ยโห้สาธยายไว้มากเนี่ยคือพูดเป็นลักษณะหลักธรรมอันนี้พระพุทธเจ้าจะแยกแยะ แจง้งแจงให้ดูว่าอันนี้ทําความดีได้ผลเป็นสุขอย่างนี้อธิบายไว้เยอะแยะอันนี้ทําความช่วยได้ผลเป็นทุกข์อย่างนี้อธิบายไว้เยอะแยะแต่พอจะมาพูดถึงความช่วยของเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขาพูดบายบ้างโดยที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงแช่งชักหักกระดูกให้เขาไปตกนรกหมกไม้าตามหลักธรรมอะไรลักษณะนั้นจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือดูอย่างท่านพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าเคยตํัณฑ์ท่านพระสารีบุตรที่พูดถึงว่าควรจะต้องช่วยกันขวนขวายสอนภิกษุทั้งหลาย อย่าคิดในการที่จะควนขวายน้อยแต่ควรคิดในการที่จะบอกสอนก็พูดแค่นี้แ ล, แล้วก็พูดความดีของท่านพระสารีบุตรเยอะแยะมากมายเลยมีหลายพระสูตรหลายตอนที่อธิบายถึงคุณงามความดีของท่านพระสารีบุตรเรื่องความไม่ดีของท่านเนี่ยไม่พูดถึงเลยณนะกรณีนั้นเตือนพอปุ๊บก็จบไปนี่เป็นความดีความงามลักษณะการใช่วาจาที่เราเห็นสังเกตได้จากพระพุทธเจ้าของเรานั่นคือคําตามของคุณพุทธาล คำาที่2ในวันนี้ก็มาจากคุณแจดใช้คำว่านาแจดเขียนมาทางที่เปียวธรม .com ได้พูดถึงว่าการที่ได้เริ่มต้นศึกษาพระไตรปิฎก ว, ว่าอ่านพระไตรปิฎกต้องการทำการศึกษาในเรื่องราวต่างๆเ่พยายามอยู่ในการที่จะทำทุกวันแต่ว่าก็ไม่เข้าใจสักเท่าไหร่ได้อ่านหนังสือแปลความหมายของเนื้อหาตรงนี้แล้ ว, ลวก็ยังมีความไม่เข้าใจแล้วก็เลยต้องการจะ ทราบหลักการว่าเราควรจะศึกษาอย่างไรถึงจะเข้าถึงตรงนี้อันนี้ก็เป็นคําถามในลนักษณะเดียวกันที่เขียนประจนหมายมาจากคุณสมหมายแล้วปลอดทุกข์เขียนมาจากตลิ่งชันกรุงเทพแล้วก็ถามถึงเรื่องของการค้นคว้าพระไตรปิฎกเหมือนกันอันนี้ก็ต้องอธิบายให้ท่านผู้ฟังฝั่งเซนิดถึงว่าข้อมูลข้อความที่เดิมทีที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยอันนี้เขามาเป็นภาษาบาลี เป็นภาษาบาลีมีการจดบันทึกรวบรมเรียบเรียงมามีความเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งที่ว่าอันนี้จะเป็นพุทธพจน์จริงๆนะส่วนใหญ่ตรงนั้นเอาเราเอาข้อมูลที่เป็นภาษาบาลีนี้มาแล้วนะคนที่เขามีความรู้ภาษาบาลีเขาก็อ่านภาษาบาลีเลยเข้าใจได้เลยอันนี้ดนะีนั่นเป็นพุทธพจน์จริงๆแล้วถ้าเผื่อว่าคนที่เขาไม่รู้ภาษาบาลีแตนะ่ก็ต้องอาศัยคนที่เขารู้ภาษาบาลีเช่วยแปลให้แปลมาแล้วเป็นภาษาไทยแล้วนะเราก็อ่านตรงภาษาไทยตรงนี้ ที่แปลมาจากภาษาบาลีทีก็ผ่านการแปลการใช้กําหนดบทเพีชนะของคนที่เขาแปลนั่นแหละซึ่งผู้แปลก็เป็นใคร ล, ละ่ะก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านสนใจใฝ่ศึกษาทั้งภาษาบาลีทั้งเรื่องของธรรมะต่างๆอธนะิบายเกียนเป็นบทเพียนชนะที่เป็นภาษาไทยมาให้เราได้ศึกษาได้อ่านทีนี้การแปลมันก็มีหลายสมัยทั้งหมดแปลตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ก็มนะีซึ่งสับแสงบางอย่างโอมันก็เป็นคนละเรื่องกับ สมัยปัจจุบันนะนะเพราะฉะนั้นบางทีมันก็จึงมีความท้าทายในเรื่องของการทําความเข้าใจซะหน่อยหนึ่งแต่แต่ว่านักประหลาดในสมัยปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นองค์กรนั้นองคอนน์กรนี้หรือว่ายุวพุทธิกสมาคมแลเขาก็ทําประไตยบิดกับฉบับย่อความมานะใช้เรียบเรียงรวบรวมด้วยคําศัพท์แบบอีกแบบหนึ่งมหาวิทยาลายัยอย่างเช่นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยหรือว่ามหามงกุฎราชวิทยาลายัย หรือแม่แต่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยท่านก็มีการแปลแต่เป็นสำนวนต่างๆออกมาแต่ท่านพุทธทาสแล้วก็แปลมาเป็นบางพระสูตรบางตอนท่านก็แปลมาเราก็ไปหาศึกษาอันไหนที่เราจะทําความเข้าใจได้ล่ละศึกษามันหมดทุกอย่างตัวข้าพเจ้าเองก็เหมือนกันต้องการจะแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังทราบว่าตัวข้าพเจ้าเนี่ยศึกษามาอย่างไงเพราะว่าพอเรามาบวชเป็นพระแล้วแต่เราก็อ่นษานหนังสือธรรมะทั่วๆไปแล้วเขาก็ พูดถึงพระไตรปิฎกในพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ตอ น, น, นแรกๆก็ไม่ได้ค่อยสนใจที่จะไปหาอ่านไปตามอ่านสักเท่าไหร่คิดว่าฟังคําอธิบายต่างๆเหล่านั้นแล้วก็เพียงพอแล้วแต่จนกระทั่งข้าพเจ้าเนี่ยได้มาอ่านสิ่งที่เป็นพุทธพจน์แต่สิ่งที่เป็นพุทธพจน์เป็นบทเพียรชนะของพระพุทธเจ้าจริงๆเลยโดยสํานวนแปลที่ได้อ่านในครั้งแรกๆนั้นก็แปลโดยท่านพุทธทาสคือท่านพุทธทาสเนีไม่ได้แปลพระไตรปิฎกทั้งทั้งหมด ท่านแปลเป็นบางส่วนและโดยบางส่วนที่ท่านแปลนั้นรวบรวมเรี่อยเรียงมาอยู่ในหนังสือที่เรียกว่าชุดจากรพระโอษฐ์ที่มีอยู่ห้าเล่มด้วยกันอันนี้เป็นผลงานชินโบแดงของท่านบุตรธาตเลยคือท่านบุตรธาตเนี่ยมีผลงานอยู่เป็นหลายร้อยเล่มห้านะเล่มแรกห้านะเล่มแรกนั่นแะหละคือผลงานชิ้นโบแดงและข้าพเจ้าก็อ่านจากตรงนั้นและมีความซาบซึ้งในเรื่องของบทเพียรชนะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้กําหนดเอาไว้อย่างดี แต่สำนวนการแปลก็ฟังดูเข้าท่าฟังดูแล้วมันรื่นหูลทําความเข้าใจได้ก็อ่านจากตรงนั้นคือเพราะว่าบางทีถ้าเราไปดูในพระไตรปิฎกฉบับเต็มเลยเนี่ยนะไม่ว่าจะ45เล่มก็ตามหรือว่า9กเล่มก็ตามเนี่ยโอมันจะมีข้อมูลเยอะมากบางพระสูตรก็ยา ว, ยาวๆนะมีเรื่องตรงนั้นมีเรื่องตรงนี้มันก็บางทียากในการที่จะย่อยยากในการที่จะทําความเข้าใจนะซึ่งในกรณีของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าไปเริ่มจากตรงจุดที่เขา เลือกมาแล้วคือตัณฑบุทรธาตเนี่ยไม่ไดเอามาทางพระสูตรแตเอาตอนสําคัญๆของพระสูตรนั้นพระสูตรนี้มารวบรวมไว้ส่วนนี้เป็นส่วนที่ว่าด้วยอริยศาสตร์เอาขันหะมาไว้ตรงนี้ส่วนนี้ว่าด้วยตัณหาเอาไว้ตรงนั้นก็เอาตรงย่อหน้านี้ไปไว้ส่วนนั้นเอาย่อหน้านี้มาไว้ส่วนนีนะ้เพื่อให้ถ้เกิดการทําความเข้าใจสามารถย่อยข้อมูลคิดตามได้แตนะ่ตรงนี้จะเป็นการดีพูดง่ายๆวันนี้ขายหนังสือกันนะตัณฑบฟังช่วยกันไปซื้อหน่อย เป็นมรดกที่พระพุทธเจ้าทิ้งไว้ให้เป็นมรดกที่ท่านพุทธทาสได้รับต่อมาแปลมาเป็นภาษาไทยไว้อย่างดีมรดกชิ้นนี้ก็คือธรรมโกดเป็นชุดธรรมโคดห้าเล่มของท่านพุทธทาสเป็นผลงานของท่าน5้าเล่มแรกท่านอนุโมทังได้ยินข้อมูลนี้แล้วช่วยกรุณาไปหาซื้อมาเก็บไว้ที่บ้านแล้วทุกวันนี้มันง่ายนิดหนึ่งถ้าใครมีคอมพิวเตอร์ใครมีอินเทอร์เนะ็ตสามารถเสิร์ชหาได้สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้อย่างง่ายได้ แต่ก็มีการแบ่งปันเอาไว้อยู่เรียบร้อยแล้วลเริ่มศึกษาจากตรงนั้นพระพุทเจ้าเองเริ่มจากตรงนั้นศึกษาไป2ปี3ปี5ปีมีความแจ่มชัดมากขึ้นเอาเรากลับไปค้นที่ต้นพระสูตรเดิมโอ้ยิ่งมีความแตกฉานมากยิ่งขึ้นมาโอ้พระสูตรเดิมตรงนี้ก็ว่าไว้ตรงนี้ก็พูดเอาไว้แม้มันยิ่งลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเห็นสัมนวนการแปลของฉบับอื่ น, นๆก็แปลว่าอย่างนี้แตกต่างจากที่ท่านคิดท่านแปลไว้ก็ได้แง่มุมบันๆตามขึ้นมา ท่านผู้ฟังได้ฟังรายการธรรมะรับอรุณเนี่ยตั้งแต่ปี54ปี55มาเนี่ยท่านผู้ฟังจะสังเกตว่าข้าพเจ้าก็เอาเนื้อหาจาก5้าเล่มเนี่ยมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงของการฟังธรรมคำพุทธะที่ท่านพุทธทาสได้แปลไว้เนะีตรงนี้มาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังนะพอขึ้นปี5657นะเนื้อหาตรงนั้นหมดแล้วท่านผู้ฟังนะก็ต้องหาเนื้อหาอื่นๆใหม่ๆ ม, นะมานําเสนอมาพูดคุยมาศึกษาก็จึงมาที่ตัวพระไตรปิฎก ท่านะบุฟังก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องเป็นบทเพลงชนะอีกแบบหนึ่งนะที่มาในพระไตรปิฎกนะในมัชฌิมานิกายบ้างสังยุตตานิกายบ้างหรือเรื่องอื่นๆบ้างนะที่จะมาแบ่งปันให้กันฟังอ่านนี้ท่านบุฟังฟังนะซึ่งแน่นอนในเรื่องของสื่อทางเสียงเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดนะว่าเราจะไม่สามารถอ่านตามได้แต่ว่าเราก็ยังได้ฟังนะการได้ฟังก็จะไม่ได้ยินเสียงมันก็จะคนละแบบกันนะการอา่านการฟังก็จะเป็นคนละแบบกัน เพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังสะดวกในการฟังยินดีในการฟังในช่วงของวันพฤหัสเนี่ยข้าพเจ้าก็จะนําพระสูตรพวกเนี้มาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังอาจจะเป็นส่วนที่เป็นพุทธพจน์ด้วยอาจจะเป็นคําสอนของพระเถระเช่นพระสารีบุตรหรือท่านพระอานุน์บางทีก็จะามาเล่าให้กันฟังในช่วงของวันพฤหัสช่วงของการฟังทำคําพุทธส่วนวันศุกร์ก็จะมาอธิบายเพราว่าบางทีสับแสงหรือว่าธรรมะบทใดใมีความลึกซึ้งก็จะมาคุยอธิบายกันในวันศุกร์ ซึ่งถ้าผู้ฟังฟังในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นั้นก็จะได้รับข้อมูลส่วนที่เป็นการศึกษาข้อความการศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎดกด้วยแน่นอนและตัวข้าพเจ้าเนี่ยถ้ามาจัดรายการอยู่อย่างนี้ไปทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้เอาเรื่องนี้มาให้ฟังสัปดาห์ต่อไป เ, เรื่องต่อไปมาให้ฟังทําไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีแต่ทําไปทําไปอย่างนี้จากปีเป็น10ปีแต่เราก็จะสามารถที่จะอ่านพระไตรปิฎกได้จบเหมือนกันละ่ะ จะจบเหมือนกันหรือว่าถ้าคนที่สะดวกในการที่จะอ่านจากคอมพิวเตอร์นะไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะคอมตรงนี้ก็จะมีข้อมูลหรือว่าทุกวันนี้นอินเทอร์เนต็ตก็มีข้อมูลเยอะแยะมากมายหรือว่าถ้าท่านผู้ฟังไม่สะดวกทางอินเทอร์เนต็ตนะต้องการเป็นหนังสือนะครับท่านผู้ชก็ขอแนะนําให้เริ่มจากหนังสือผลงานของท่านผูรุ่นทานใน5้าเล่มแรกในที่ชุดจากธรรมโคตรแลนะ้เริ่มศึกษาจากตรงนั้นแล้วก็ค่อยขยับขึ้นไปพระไตรปิฎกก็ได้ หรือว่าในอีกแนวทางหนึ่งแต่เขาก็มีพระไตรปิฎกฉบับต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ไม่ว่าจะเป็นฉบับประชาชนไม่ว่าจะเป็นฉบับของยุวพุทธิกาสมาคมไม่ว่าจะเป็นฉบับของพระครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ที่ท่านทําการไขความเป็นการทําความเข้าใจให้ได้มากขึ้นเราเริ่มศึกษาจากตรงนั้นก็เป็นการดีและมีครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่ที่ทำเอาไว้มีผลงานมากมายคือชาวบ้าเห็นว่าการศึกษาเนี่ยการทําความเข้าใจเป็นสิ่งดี แต่บางคลในธรรมวินัยนิธรรมวังบรูชาบอกเอาไว้บอกว่าให้ทําการสำเนียกใจไว้ว่าคนอื่นจะศึกษาหรือไม่ก็ตามเราก็จะทําการศึกษาสิ่งนี้เป็นคุณสมบัติของบุคคลที่เป็นอาชาในนะและหนึ่งในคุณสมบัติของบุคคลที่เป็นอาชานัยก็คือว่าคนอื่นจะศึกษาหรือไม่ก็ตามเราก็จะศึกษาเปรียบเทียบกับม้าอาชาในและที่บอกว่าสัตว์อื่นจะรับภาระในการลากเข็นหรือไม่ก็ตามเราจะรับภาระในการลากเข็น แต่เรียกว่าบุคคลอาชาในที่มีความคิดว่าคนอนึ่งเขาจะศึกษาหรือไม่ก็ตามแต่แตฉันจะศึกษาและจริงๆแล้วตรงนี้เรื่องของม้าอาชาในเนี่ยก็ไปเกี่ยวข้องกับคําถามของคุณข้อแรกแของคุณพุทตานที่พูดถึงเวลาเราเล่าความไม่ดีของคนหน่งใช่หมหนึ่งในคุณสมบัติของม้าอาชานัยอีกอันหนึ่งก็คือว่าจะไม่นอนทับกองอุจจาระกองปัสสาวะของตัวเองเช่นเดียวกันคนที่เป็นอาชาในเนี่ยเขาจะไม่มาเก็บไอความที่เป็นอกุศสเอาไว้ สิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาก็ตามเราพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยเปรียบเหมือนกองมูดกองพูดของอุจระปัสวะถ้าเรามาเก็บไว้ในตัวเราแลามาเก็บไว้ใกล้ๆเราแล้วมันก็ไม่ดีเหมือนกับอุจราระปัสสวะที่ถ่ายออกมาปัสสาวะออกมาแล้วแน่ะเราไปกอดคลุกคลุ้ยนั่งอยู่ตรงนั้นนอนอยู่ตรงนั้นน่ะมันไม่ดีในีสัตว์ที่เป็นอาชาในเขาไม่ทําอย่างนั้นบุคคลที่เป็นอาชานในน่ะเขาก็ไม่เอาเรื่องที่มันไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ไม่ดีวาจาที่ไม่ดีเอามาใกล้ๆตัวเขาก็จะขยักขยา่ตัวนั้นอันนี้ก็เพิ่มเติมถึงเรื่องของความเป็นอาชแนยนะผู้ตรงนี้ก็นึกขึ้นได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการศึกษาพระทวิดกในการศึกษาไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเป็นอาวุธให้หมวกางเป็นอาวุธแต่คุณจะหยิบจับอาวุธขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งได้ทั้งนั้นในการศึกษาไม่ว่าจะเป็นพระสูตรเป็นเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเป็นพุทธพจน์ก็ได้ จะเป็นบุคคลที่เขาได้ขยายความพุทธพจน์ตรงนั้นเอาไว้ก็ได้แต่และหลักการอันหนึ่งที่เราต้องทราบก็คือว่าการที่เราศึกษาไม่ว่าจะเป็นคำของพุทธคก็ตามหรือว่าคำของครูบาอาจารย์ที่ท่านอธิบายไว้ก็ตามหลักการก็คือเราจะต้องเข้าไปหาที่ตัวมาดิกาตัวแม่บทมาให้เข้าใจเนื้อหาธรรมะนั้นทั้งโดยอัฏฐาด้วยโดยพยัญชนะด้วยในการไปที่จุดประสงค์ของธรรมะที่จะเป็นไปเพื่อความดับความระ ง, งับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานตรงนั้น นั่นจะเป็นจุดประสงค์ที่สำคัญจุดประสงค์ที่แท้จริงของการทําการศึกษาตรงนี้เอรล้นั่นคือคําถามที่พูดถึงในวันนี้ของคุณพุทธานที่ตามถึงการพูดเรื่องความไม่ดีของคนอื่นให้เพื่อนฟังแล้วก็ของคุณน้าแจ๊ดที่ตามถึงเรื่องของการศึกษาประเทรปิดกซึ่งบางทีรู้สึกว่ามันยากให้เราเป็นบุคคลอาชาในทั้งหมดหรือเหมือนม้าอาชาในหรือเหมือนม้าอาชาัยที่จะไม่ยอมนอนจมกองมูด กองคูดของตัวเองเหมือนม้าอาชาัยที่เห็นสัตว์อื่นเขาจะรับภาระหรือไม่รับภาระก็ตามฉันจะรับภาระฉันจะกลืนเข้าไปฉันจะทํามันให้ดีให้เป็นม้าอาชาัยแบบนี้ซึ่งบุคคลที่เป็นอาชานในเรื่องวาจ า, ท, place, า, ท, า, ท, าที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีการกระทําที่ไม่ดีไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นจะเอาออกจะลากออกสลละออกบุคคลอาชาใัยก็เป็นอย่างนี้บุคคลอาชานัยนั้นจะเห็นคนอื่นศึกษาหรือ không? ไม่ศึกษามันจะยากหรือมันจะเป็นภาระอย่างไรก็ตาม ก็จะศึกษาจะทําเพราะว่านี่คือการที่เราจะสืบทอดะคําสอนของพุท ธ, ธาได้เป็นการที่เราจะรักษาคําสอนนี้ได้เพราะว่าคนที่ศึกษาก็ต้องศึกษาด้วยการปฏิบัติศึกษาเพื่อที่จะให้เข้าถึงมรรติกาถึงแม่บทศึกษาเพื่อที่จะให้เข้าถึงความที่เป็นรู้ยิ่งรู้พร้อมความดับเย็นตรงนั้นเราศึกษาไปตามกระบวนการค่อยทําไปน่าผู้ฟังตัวข้าพเจ้าถ้ายังอยู่มาพูดให้ท่านผู้ฟังฟังทุกๆวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ เราก็ศึกษาไปด้วยกันนําไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเข้าใจไม่จากมุมใดก็มุมหนึ่งมันไม่เข้าได้ทางหูมันก็เข้าทางตาเอาคนตาบอดแล้วก็เข้าทางหูได้นะเราะาหูนี่มันสําคัญแต่ถ้าเราได้มีสวดประสาทท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าว่าวก็สามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าสู่นิพพ า, านผ่านทางประตูที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ให้ได้วันนี้เวลาหมดแล้วครพบท่าพระมหาภัยบุญอภิปุนโนก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จันทร์ผ่อน